สวัสดีสําหรับลูกเพจพะเจอผีแล้วก็ชาแนลพระเจอผีใน YouTube ด้วยนะคะนานแล้วที่ไม่ได้กลับมาเล่าเรื่องน่ากลัวหรือว่าเรื่องตื่นเต้นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนื่องจากว่าอาจจะติดภารกิจนะคะส่วนตัวเล็กน้อยนะฮะช่วงนี้งานรัดตัวเลย <c oughs> คิดถึงเหมือนกันค่ะอยากมาเล่าเหมือนกัน และแน่นอนนะคะว่าวันนี้ตัวของพีเองก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าต่างๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องต่างๆที่นำมาเล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ตัวของบีเองก็มีเรื่องนามาฝากกันด้วยนะคะเป็นเรื่องเล่าของคุณปู่ค่ะเรื่องก็มีอยู่ ว่านะคะคุณปู่ที่มาเล่าเรื่องเนี่ยท่านเป็นสมัยท่านเป็นพระนวิกะนะคะก็คือพระเพิ่งบวชใหม่บวชได้ไม่ถึง1เดือนนะะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทางภาคใต้โดยจะย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วนะคะที่บ้านของปู่ตอนนั้นคือความกันดา น, นะคะ่ะไม่สะดวกสบายเท่ากับปัจจุบันนี้แล้วก็จะไปไหนก็ต้องเดินเท้าลัดเลาะคันนาคื อ, อลัดเลาะไปทางป่าจ่านะคะหรือไม่บางทีก็พายเรือเลาะคลอง เลียบแม่น้ำบางทีก็ออกทะเลเพื่อรัดเข้าคลองอีกสายหนึ่งก็มีค่ะน้ำกินน้าใช้นี่ต้องไปตักจากบ่อหรือไม่ก็ไปตักจากคลองการแกว่งสารส้มก็ทำให้น้ำที่ขุนๆ น, นะคะหรือว่ามีตะกรทำให้ตะกรนอนก้นแล้วก็สามารถตำไปดื่มได้นําไปใช้ได้นะคะปู่ท่านก็บวชเรียนตามที่ทวดหญิงทวดชายขอ แล้วก็ไปจำวัดที่ห่างไกลาจากบ้านของทวดออกไปก็จะเป็นวัดเก่าแก่เกือบร้างค่ะแต่ว่าได้เจ้าอาวาสองค์ที่บวชให้ท่านเนี่ยมาบุรณะ ทำนุบำรุงก็เลยทำให้วัดนี้เกือบร้างนะคะก็มีผู้คนเข้ามาขอบวชเรียนเพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นวัดที่เกือบร้างนั่นเองนะค ะ, จะเจ้าอาวาสท่านนี้ค่ะท่านเก่งในทางวิชาอาคมมีของดีอาจจะมีแรงจูงใจให้หนุ่มๆในสมัยนั้นยอมที่จะมาบวชเรียนเพราะว่าปู่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ที่อยากจะได้ของดีเช่นกัน ปู่ท่านก็เล่าเรื่องนี้แบบขำขันนะคะแล้วปู่ก็บอกว่าเหมือนจะมีพระใหม่อยู่ไม่กี่รูปเท่านั้นและที่จะได้ของดีจากท่านจะอาวาสไปปู่บอกว่าของแบบนี้มันต้องแล้วแต่บารมีของแต่ละคนตัวของเราเองก็อยากรู้เหมือนกันแน่ว่าปู่ได้อะไรที่ว่าเป็นของดีจากท่านจะอาวาสมาบ้าง แต่จากการที่สังเกตตั้งแต่ตอนที่คุณปู่ยังอยู่นะคะก็ไม่มีแนวโน้มอะไรพวกนี้เลยว่าปู่น่าจะได้ของดีจากการบวชเรียนนะคะหรือว่าจากการที่ได้มาจากเจ้าอาวาสอย่างนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ปู่ได้มานั่นก็คือปู่สวดมนต์ด้วยน้ำเสียงไพเราะเพราะพิงขึ้นจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่เคยฟังใครสวดมนต์ได้ไพเราะเท่ากับปู่สวดแล้วก็ไปนั่งฟังนะคะ อ า, อาจจะเป็นการเข้าข้างปู่มากเกินไปก็ได้นะคะตามประสาหลานนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของวัดนะคะมีเรื่องเล่าลือกันค่ะว่าพระนวัดทั้งหลายจะต้องโดนลองของอยู่เสมอนะคะท่านบอกว่าพระบวชใหม่ที่วัดนี้จะโดนตามไปสวดศพให้กับสามีของผีผู้หญิงที่เป็นผีแม่ไมยนะคะแล้วก็เป็นผีแม่ลูกอ่อนด้วยแล้วก็ยืนยันคว่าจะเจอกันทุกรูปที่มาบวชใหม่ตลอด หลังจากบวชผ่านมาไม่กี่วั น, น ะ, ะปู่เองก็ได้รับคำบอกเล่าเช่นนี้เหมือนกันหลังจากที่ท่านบวชมาได้สองวันปู่เป็นคนไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่เคยเจอนะคะเผาศพ บ, บนกองฟอนท่านก็ไปร่วมงานบ่อยครั้งปู่บอกว่าน่ากลัวที่ไหนก็แค่คนตายบางศพเนี่ยโดนไฟเส้นยึดก็ลุกขึ้นนา่งงอนั่งหงิกนะคะก็ช่วยกันพลิกช่วยกันเผาช่วยสุมไฟให้ด้วยซ้า แล้วก็พอเสร็จงานตอนดึกๆดืด่นๆนะคะก็มืดมิดมีดมไฟเผาศพกับศพเป็นเพื่อนอย่างเดียวท่านก็ทำมาแล้วหลังจากที่ปู่บวชเป็นพระใหม่ได้ประมาณ7วันค่ะก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามที่คนเขาเล่าลือกันนะคะปู่ก็คิดว่าคงจะเป็นแค่เรื่องห่อกกันเล่นๆที่เล่ากันเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ท่านเองก็ลืมๆไปจนพ้นสัปดาห์ที่2ของการบวชมีอยู่ขึ้นนึงค่ะเป็นคืนข้างขึ้นแต่ว่าพระจันทร์นี่ยังไม่เต็มดวงปู่บอกว่าวันนั้นพระทั้งวัดไปงานตั้งแต่ตอนค่ำกันหมดไม่มีรูปไหนอยู่วัดเลยเหลือแค่ปู่กับเนนที่เพิ่งบวชพร้อมปู่เท่านั้นที่อยู่เฝ้าวัดกันเนนก็ยังเด็กนะคะประมาณอายุ 13-14 ปีกับพระหนึ่งรูป เนนหนึ่งรูปนะคะก็ช่วยกันเดินตรวจตราปิดประตูลงกรอนโบดเพราะว่ากลัวฝนจะตกแล้วก็สาดจนโบทเปียกพอปู่ที่เพิ่งจะบวชใหม่นะคะแล้วก็เนนอีกหนึ่งรูปนะคะเดินตรวจตามกุฏิพระที่มีว่าปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยไหมเพราะว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลลมก็พัดแรงขึ้นตามลำดับนะคะแล้วปู่ก็คาดว่าคืนนี้ฝนคงจะตกแล้วละ่ะ หลังจากนั้นน ะ, ะก็ขึ้นกุฏิของปู่ตอนนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปพร้อมกับเนนที่ขอย้ายมานอนด้วยหนึ่งคืนเพราะว่าไม่อยากจะนอนคนเดียวหลังจากที่ปู่กับเนนนะคะที่กำลังจำวัดไปได้สัก ครู่นึงนะคะก็มีเสียงเรียกนิมนต์ที่หน้ากุฏิค่ะเป็นเสียงของผู้หญิงปู่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แง้มประตูหน้าต่างดูก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงอุ้มเด็กเข้าเอวนะคะแล้วก็ร้องนิมนต์ท่านว่าให้ช่วยไปสวดศพสามีที่ตายให้หน่อยเขาเพิ่งป่วยตายนางก็เลยพายเรือมาตามพระที่วัดเพื่อที่จะไปสวดศพให้นางยากจนไม่มีเงินไม่มีอะไรจะถวายแต่ว่านางอยากจะให้ผัวของนางเนี่ยได้บุญได้กุศลบ้างนางก็เลยมาขอร้องพระ ก็คือปู่นะคะที่ท่านบวชอยู่ปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็ยังบอกย้าแล้วด้วยว่าท่านเพิ่งบวชใหม่อาจจะยังสวดไม่เก่งเท่ากับพระรูปอื่นๆที่บวชเรียนมานานแล้วนะนางยอมรับได้หรือเปล่าเล่าปู่ถามนะคะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ยอมรับแล้วก็อ้อนหวอ น, นว่าขอให้ไปเถอะสวดให้สามีนางหน่อยปู่เลยไปแต่งจีวร น, นุ่งห่มเรียบร้อยแล้วก็ปลุกเนนถามว่าจะไปด้วยไหมเนนก็ยอมไปด้วยนะคะเนนน่งคิด ว่าดีกว่าอยู่คนเดียวในวัดนะคะอย่างน้อยก็ได้มีปูป่ไปเป็นเพื่อนแล้วก็เปเป็นเพื่อนปู่ด้วยสองคนสองรูปนะคะผู้หญิงคนนั้นอุ้มเด็กแล้วก็เดินนำหน้าพระแล้วก็เนรไปที่เรือที่จอดอยู่ที่ลำคลองสายเล็กๆค่ะโดยไม่ได้ถือใต้หรือว่าคบหรือว่าตะเกียงอะไรทั้งสิน้นซึ่งตอนนั้นปู่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็คิดแค่ว่าเป็นเพราะว่าแสงจันทร์สว่างเพียงพอก็เลยทาให้มองเห็นเส้นทาง ปู่บอกว่าถ้าปกติทั่วไปนี่คงจะเอกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ถือครบถือใต้อะไรมาด้วยเลยบรร น, นอกเมื่อก่อนนี่จะต้องบอกว่าอาจจะไม่อันตรายเรื่องโจรอะไรมากแต่ว่าเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยจัดว่าชุกชุมพอสมควรซึ่งคนปกติเขาเองยังไงก็ต้องกลัวนะคะในส่วนตรงนี้ตอนนั้นปู่ลืมตำนานพระนวะกะของวัดนี้ไปหมดไม่นึ้ถึงอะไรเลยเพียงแค่เห็นใจผู้หญิงอุ้มลูกที่สามีเสียชีวิตแล้วแล้วก็มาตามพระ เพื่อที่จะไปสวดศพให้ก็เท่านั้นเองแล้วก็เนรก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องนี้มาก่อนก็เลยทำให้ไม่รู้เรื่องก็เลยต้องเดินตามปู่ไปต้อยต้อยนะฮะแถมท้ายไปด้วยอีกคนนึงพอลงเรือไปค่ะผู้หญิงอุ้มเด็กไปวางไว้ที่หัวเรือ พรากับเนนไปนั่งทางท้ายเรือห่างกันแล้วก็ช่วยกันแจวไปลัดเลาะตามเส้นทางที่เป็นคลองเล็กๆนะคะท่านว่าแจวเรืออยู่นานลัดเลาะไปมาจนถึงท่าเรือที่ดูเก่าๆโส ม, สมก็เอาไปผูกไว้แล้วก็ขึ้นจากเรือค่ะแล้วก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นที่เดินนำหน้าล่วงไปก่อนแล้วระหว่างที่รอเนนผูกเรือปู กับเนนก็เดินตามหลังผู้หญิงที่อุ้มลูกเข้าเซเอลห่างไปประมาณสัก 5-6-9 ไปเรื่อยๆลัดเลาะคันนาเดินผ่านป่าละเมาะป่าจากบางทีก็ผ่านต้นตาลที่เรียงรายตามข้างคันนาเดินอยู่นานพอสมควรค่ะก็ไปถึงกระท่อมเล็กๆ ปู่มองจากแสงจันทร์แล้วรู้สึกว่าเก่าและดูผุพังจากที่มุงก็ดูเก่าก็ว้าวะแหวงแหว่งนะคะสำหรับหลังคาที่เอามามุงนะคะภายในกระต๊อบก็มืดสนิทค่ะผู้หญิงคนนั้นก็หันมาบอกปู่บอกว่ารอเดี๋ยวนะเขาจะไปจุดฟืนในเตาก่อนจะได้พอมองเห็นในนั้นได้บ้างพอไฟสว่างแล้วก็ให้พระกับเนตามเข้าไปละกัน ปู่ก็เลยรออยู่ข้างนอกนะคะท่ามกลางแสงจันทร์สลัวๆรอจนเห็นแสงไฟในกระต๊อบสว่างแล้วก็เล็ดรอดออกมาจากกระดูที่มุงพอวอ บ, ว บ, แบๆแวมๆนะคะก็เลยผลักประตูเข้าไปะคะ่ะประตูกระต๊อบก็เก่าซะจนแทบจะหลุดติดมือปู่ออกมาเลยปู่บอกปู่ก็เลยต้องถือคาไว้แบบนั้นแล้วก็ให้เนนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วปู่ก็ยกประตูกระต๊อบไปวางกัน้นไว้ที่เดิมแบบเกยๆพอไม่ให้ล้มฟาดลงมาเท่านั้นเองนะคะ ภายในที่ปู่เข้าไปก็เห็นเป็นพื้นลานดินแข็งๆมีแคกแครที่วางศพคลุมผ้าของมามิดชิดอยู่ที่ริมกระต้อปอีกฝ้าตรงข้ามกับประตูเตาถ่านที่จุดฟืนดูสว่างไม่มากนักอยู่กลางกระต้อที่ขับแคบผู้หญิงคนนั้นก็ชี้ให้ปู่เหมือนนิมนต์ให้นั่งบนเสื่อเก่าๆที่วางอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะส่วนผู้หญิงคนนั้นเองก็นั่งบนพื้นดินแข็งๆแล้วก็กอดลูกไว้พร้อมกับพนมมือ ปู่เล่าไว้ในหนังสือที่เขียนว่าตอนนั้นยังไม่รู้ดอกว่าในงานศพต้องสวดมนต์แบบไหนแต่ท่านก็สวดมนต์ให้ตามบทสวดมนต์ที่ได้ร่ำเรียนมา ท่านบอกว่ารู้มากี่บทก็สวดให้หมดตามนั้นเอาเยาวๆเข้าไว้เผื่อเจ้าภาพโยมผู้หญิงคนนั้นเขาจะได้ดีใจเนรที่นั่งอยู่ข้างๆก็ทําปากขมุบขมิบตามไม่ออกเสียงดังเพราะกลัวสวดผิดแล้วจะขายหน้าแล้วก็สวดไปเรื่อยๆจนหมดผู้หญิงคนนั้นบอกว่าสวดจบแล้วเสร็จพิธีแล้วละผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าอีฉันไม่มีอะไรจะถวายเป็นจตุปัจจัย ถ้าสวดศพให้กับสามีของอีชัน้นอีชั้นขอถวายน้ําร้อนให้ท่านฉันก็แล้วกันค่าที่ท่านมาสวดให้ผัวอีชั้นอยู่นานจากนั้นก็ไปคนได้อ่างดินเผาดําปึ๊ดเลยนะคะมาวางไว้บนเตาต้มน้ําสมฟืนใส่เพิ่มรอจนน้ําเกือบเกือบเดือดก็รินใส่ชามปากบีนชามนึงถวายให้พระกับเนรแล้วก็แบ่งกันฉันปู่ท่านเองก็จิบจิบพอเป็นพิธีแล้วก็ส่งให้เนนถึงตอนนั้นไม่รู้อะไรดนใจทำให้ท่านนึกถึงเรื่องราวตํานานพระนวะกะที่บวช ของวัดนี้ขึ้นมาได้ทําให้ท่านเริ่มเอกใจขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองรอบๆกระต๊อบค่ะแล้วก็พยายามเพ่งมองดูศพใต้ผ้าของมาที่คลุมอยู่พยายามพิจารณา2แม่ลูกตามที่ได้นิมนต์ท่านมาสวดให้นะคะแต่ด้วยความที่ภายในนั้นมันมืดนะคะทำให้ท่านมองเห็นหน้าทั้งสองแม่ลูกได้ไม่ค่อยถนัดชัดเจนนักท่านเองก็บอกว่าตอนนั้นท่านไม่รู้ว่าจะเป็นผีไหมแต่ท่านเวทนาเพราะเห็นว่าเขายากจนเหลือเกิน ล้ยิ่งถ้าเป็นผีด้วยแล้วก็ยิ่งน่าสงสารที่ยังต้องคอยมาวนเวียนตามพระนวกะให้มาสวดศพสามีให้อยู่แบบนี้ซ้ำซากบ้านปู่อาจจะไม่ได้มั่งมีสีสุขอะไรแต่ก็ยังไม่เคยที่จะอดอยากแบบขนาดนี้นะคะตอนนั้นก็คงจะประมาณตีสองตีสแล้วล่ะค่ะท่านก็เลยบอกผู้หญิงคนนั้นว่าคงต้องขอตัวกลับวัดแล้วพอออกมาข้างนอกกระต๊อบนั้นท่านก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งขึ้น ผู้หญิงคนนั้นมายืนส่งพระแล้วก็เน้นที่ประตูพลางชี้ให้ท่านเดินกลับไปทางวัดบอกว่าให้เดินตามทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงวัดเองก็แปลกใจนะฮะว่าเอ๊ะทำไมปู่ไม่ให้เขาพายเรือไปส่งเหมือนตอนที่ขามาปู่ก็หัวเราะบอกไม่ไหวอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีไม่กล้านั่ง อยู่ในเรือหรอกยังไงก็ต้องขอเดินกลับเองดีกว่าเนนเองก็แปลกใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละว่าทําไมไม่ให้เขาพายเรือไปส่งเหมือนขามาปู่เองก็เช๊ะใช้ค่ะไม่กล้าพูดความจริงเดี๋ยวเนนจะช็อกก็เลี่ยงไปว่ากลับเองดีแล้วเขาเป็นผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกให้พายเรือเที่ยวไปเที่ยวมายังไงก็ไม่ดีแล้วก็รีบผันหลังเดินจากมาจากตรงนั้นนะคะคนสมัยก่อนคงจําทางกันได้แม่นค่ะ เพราะว่าเดินกลับกันเองก็ได้ปรากฏว่าปู่บอกว่าตอนนั้นเสียงเดินกลับมาเองดีกว่าค่ะดีกว่าให้ผู้หญิงคนนั้นเขาพายเรือมาส่งนะคะปู่ก็ไปนึกถึงเรื่องของพระนวากะนะคะที่เป็นเรื่องเล่าของวัดนี้ตอนแรกปู่บอกว่าจำไม่ค่อยได้หรอกอถนนหนทางเนี่ยแต่ว่าก็เสียงเดินมานะคะ พอเดินผ่านคันนามาท่ามกลางแสงจันไปเรื่อยๆค่ะมาจนใกล้คลองก็เดินเลาะเรียบคลองอ่าทางดินไปเรื่อยหยุดเดินนานๆก็ไม่ได้เดี๋ยวยุงจะหามเอาเพราะว่ายุงเยอะมากเลยปู่บอกสมัยก่อนเดินจนสว่างกลางทางกันเลยนั่นแหละนะคะทำให้จําทางกลับถึงวัดได้ปู่บอกว่าโชคดีเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอจริงๆคือไม่พบเจอระหว่างทางไม่งั้น ไม่รอดแน่ๆนะคะทั้งพระทั้งเนนก็ถึงวัดโดยสวัสดิภาพะคะ่ะหลังจากนั้นมาหลายวันอยู่เหมือนกันท่านก็ได้ติดสอยห้อยตามเจ้าอาวาสแล้วก็พระรูปอื่นไปนงานสวดศพที่บ้านในละแวกแถวนั้นท่านก็ได้เรียนรู้บทสวดนะคะที่ใช้ในพิธีงานศพขึ้นมาหลังจากสวดเสร็จช่วงเที่ยงพระรูปอื่นก็เลยถามปู่ว่าเป็นไปได้ไงเจอแล้ว หรื อ, อยางหล่ะผีตนนั้นปู่ก็เลยเล่าให้พระรู ป, ปอื่นๆฟังว่าไปพบอะไรมาบ้างไปเจออะไรมาบ้างแต่ท่านยังไม่ได้เล่าถึงรายละเอียดนะคะแต่ก็มีพระอีกรูปหนึ่งค่ะที่ถามท่านปู่ว่านะคะต้องไปที่กระต๊อบหน้าตาแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมหลังจากสวดเสร็จแล้วเขาก็จะถวายน้ําร้อนให้ฉันด้วยชามปากบินหนึใบใช่ไหยแล้วก็ให้นั่งบนเสื่อเก่าๆที่ปูบนดินใช่ไหมและเห็นหน้าแม่ลูกคู่นั้นไม่ค่อยชัดด้วยใช่ไหมปู่ก็รับว่าทุกอย่างนี่คือใช่ทุกประ การแบบอึ้งๆพระรูปนั้นท่านก็เฉลยว่าใช่แล้วละ่ะงั้นก็ไม่ผิดแน่เหมือนโดนกันหมดทุกรูปที่มาบวชใหม่ที่วัดนี้แล้วพระที่เคยบวชใหม่หลายรูปก็ยืนยันค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าโดนแบบเดียวกันมาทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่นั้นมาในขณะที่ยังบวชอยู่หากปู่ได้ไปงานศพเมื่อไหร่ปู่ก็มักจะแผ่เมตตาไปให้กับแม่ลูกคู่นั้นเสมอ ปู่จะไม่แน่ใจนะฮะว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ตามเราเองก็ได้แต่อ่านสิ่งที่ปู่เขียนเล่าไว้แล้วก็แม่เราได้ถามตอนที่ท่านยังอยู่บ้างนิดๆห น, น, น, น่อยๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นผีจริงๆก็น่าสงสารมากสําหรับผู้หญิงคนนี้ยังต้องวนเวียนตามที่ปู่บอกเล่าแต่ปู่ท่านก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเหตุใดถึงต้องมาวนเวียนตามพระใหม่ไปสวดศพให้สามีเขาทุกครั้งและปู่ก็จําทางไปกระต๊อบหลังนั้นไม่ได้แล้วด้วยก็เลยไม่ได้ไปพิสูจน์นะคะ ว่าเรื่องนี้จริงเท็ประการใดก็ได้แต่อุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนที่เที่ยวมานิมน์พระที่บวชใหม่ไปสวดศพให้สามีตัวเองแค่นั้นค่ะ